นี่คือรายการเปิดตามที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางเพียวธรรมะคอมตอนที่เจ็ดสิบสี่อาตมาพระไพบูุ์อภิปุโนครับกับผมธนแพทย์นัทพงศ์กหนกวิรุณครับตอนที่ดสิบสี่นี้เราก็จะมาตอบคาถามแหละคุณหมอธงครับมีคําถามเยอะแยะเลยครับอืมคําถามแรกก็เอาของคุณปณิธ่มาก่อนเลยค้างอยู่หลายสัปดาห์แล้วครับอืครับคือคุณปณิธิมีสองคำถามนะครับคือคําถามแรกเกี่ยวกับราคาคือบอกว่า บรรยัติศัพท์ต่างๆเนี่ยเวลาเปิดพจนานุกรม<อ>เล่มนู้นเล่มนี้หรือว่าในทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็เลยไม่ทราบว่ า, าจะเอาอันไหนเป็นมาตรฐานดีครับจริงๆพูดถึงเรื่องพจนานุกรมนี้ที่ว่าใช้เล่มไหนเป็นมาตรฐานตู้ัวของอาตมาเองนะมรพงศ์เราก็ใช้หลายเล่ ม, อ, ม อ, อินเทอร์เน็ตเราก็มีของคุณบาอาจารย์รุ่นก่อนๆ น, นู้นของพระเด็จปิ่นก็มีของท่านปอประยุทธ์เราก็มีคือถ้าเปิดตรงนี้แล้วมันไม่เข้าใจเราก็ไปเปิดอีกเล่มหนึ่ง เปเรื่องนึ่งไม่เใ้ใจแล้วก็ลองหาดูว่าชาวบ้านเขาใช้กันยังไงเราก็จะไปลองหาดูด้วยว่าที่ผู้เช่าใช้ใช้กันยังไงบ้างแต่เพราะนั้นอย่างตัวอย่างที่คุณปณิธิยกขึ้นมาถามคําว่าราคาเนี่ยโอยก็มีความหมายหลากหลายนะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอุปกรณเลสิผมก็มีเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความใคร่ในการที่จะใคร่ในการก็มีความใคร่ในการพอใจที่จะทําอะไรสักอย่างไดอย่างหนึ่งก็มีอย่างเงี้ยเพาะนั้นมันก็จึงทําให้ถ้าเราเห็นลนักษณะนี้เนี่ยเราก็จะต้องคิดว่า มันอาจจะทําให้งงนะก็คิดว่า <privileged S 1> อ๋อแสดงว่าคํานี้มีความหมายกว้างมีความหมายหลายอย่าง hmm. เราก็ต้องดูคอนเทกซแล้วก็ดูคอนเทนต์ของเรื่องเรื่องนั้นด้วยท hmm. ีนี้ในความหมายของพจนานุกรมเองเนี่ยถ้าทางออนไลน์ก็จะมีอยู่แปดหมื่นสี่พัน .org ก็มีหรือว่าเว็บไซต์หลายอย่างนะพระไตปิโดก .com ก็มีถ้าพิมพ์ไปเลยพิมพ์ภาษาไทยว่าพระไตปิโดแล้วก็ .com หรือ ว, ว่าตัางซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับประโนโลิดดอกไรต่างๆเขาก็จะมีคำสะพจนนุกรมที่มากับซอฟต์แวร์นั้นได้เหมือนกัน อ, อ ะ, ะไรว่ า, อ ย, าอย่างไรก็ตามใ น, ในเรื่องนี้เราต้องดูคอนเทกซกับคอนเทนต์ของอเรื่องนั้นด้วยนะว่าราคาตัวอย่างนี้หมายถึงอะไรครับแต่ราคานี้ความหมายกว้างจริงๆเลยนะครับใชอ่อาจจะในคราวต่อๆไปคือจะ ขอไปทําการบ้านเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมใช่ไหมครับเรื่องของราคาเนี่ยก็จะจะพูดมันมีหลายอย่างนะถ้านะพูดถึงเรื่องอุปกิเลส16นะอุปกิเลขสิบนี่ก็ไล่มานะผู้ชาเคยพูดไปกับนิครอ น, นะถ้าไกลคิดว่าตัวเองอแบบว่าปฏิบัติตีแล้วนะแต่ว่าถ้ายังมีความคิดว่าเออฉันจะดีกว่าเธอนะหรือว่ามัวเมาตบะหลงหลงความประพฤติตัวเองตรงนี้ หรอว่ายกตนขมท่านแต่ละอันเนี่ยจะมีรากศัพท์ภาษาบาลีซึ่งลึกซึ้งเหมือนกันรตรงนี้อาจมาต้องทํากันบ้านมากกว่านี้หน่อยในเรื่องของรากศัพท์แต่ละคําเป็นยังไงเพราะตอนนี้เราก็เรียนภาษาบาลีอยู่แล้วนะก็ยุบอาจจะให้ความเห็นตรงนี้ได้บ้าง อ, อย่างไรก็ตามแต่ละอย่างแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะอย่างอธถคัตอาจารย์ท่านก็จะมีคําอธิบายแต่ละอย่างแต่ละอย่างไปซึ่งในเรื่องตรงนี้ส่วนที่สอดคล้องกับคําสองพระเจ้าจะมีอยู่ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ ก็จะมาเล่าให้ฟังในตอน ต, อต่อไปเกี่ยวกับเรื่องราคาที่เกี่ยวข้องกับอุปกิเลสสิบหกใอแง่ลองเราฟังกับมีบนิดนึงก่อนที่จะข้ามไปคำถามถัดไปก็เกี่ยวกับเรื่องของการมะตัณหากับการมะราคาตัณตัณหาเนี่ยคือความอยากความอยากในกามน ะ, ะทีนี้อย่างราคาโทสะโมหะเนี่ยเ ป, เป็นชื่อของกิเลสใช่ไหมกิเลสกิเลสเนี่ยเป็นตัวกวลนละ เป็น<ช>เรื่องที่ไม่ดีละอย่างเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเรายังมีตัณหาอยู่นะมีตัณหาคือตัณหาเนี่ยเป็นเหมือนยางเหนียวอย่างมะม่วงสุกๆเนี่ยแหมดูน่ากินจริงๆเลยแตนะไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างดีหมดแต่ข้างในเมล็ดมันยังมียางอยู่ลักษณะนั้นแต่ถ้าเมื่อไรมันเริ่มเน่านะออกเป็นจุดดาๆอันนี้เริ่มลนะนะความไม่ดีเริ่มโผลนะ่ตรงนี้คือลักษณะของกินเลตนะเพราะฉะนั้นในจิต ท, ที่เรานั่งสมาธิปกติเนี่ยการมัตัณหานี่มีแน่นอน แต่ไม่โผลนะเพราะว่ามันมันเป็นยางเหนียวมันไม่ได้ออกอาการอะไรออกมาแต่เป็นความที่จิตดวงนั้นยังมีตัณหาอยู่ยังไม่สร้างปัญหาอะไรแต่เมื่อไร่ที่มีอะไรมากระทบแล้วราคาฟุ้งขึ้นมานี่มันเริ่มเป็นจุดดาๆครับเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยมีนี่ไม่ดีแน่นอนพูดถึงพูดถึงเจ้าโลภะโทสะโมหะราคาโทสะโมหะพวกนี้มีไม่ดีแน่นอนนะครับแต่ตัณหานี่มีก็ไปดีล่ะแต่มันยังไม่ออกอาการ แต่เพราะนั้นาเราจะพูดถึงเรื่องการพูดถึงราคาหรือพูดถึงเรื่องตัณหาเนี่ยถ้าเราเข้าใจความอย่างเช่นตัณหาคือยังเ uri, หนียวที่อยู่ข้างในจิตที่ยังจะต้องไปมีการเกาะเกี่ยวพัวพันแต่ถ้ามันยังไม่มีอะไรมากระทบมันก็ยังไม่ได้สร้างปัญหาอะไรในเรื่องของราคานะสมมติเรานั่งสมาธิอยู่นจิตเราก็ยังมีการเกาะเกี่ยวพัวพันในสมาธินั่นแหละมันมันก็ยังยังมีการเกาะเกี่ยวพัวพันในสมาธิแต่ว่าถ้ามีอะไรมากระทบแล้วเราชอบ รุ่มหนงพูดเพลิ ม, มออัวเมาราคะเกิดละกลงจิตเริ่มหิวละเริ่มอยากละสถานีเพราะนั้นถ้พูดก็พูดก็คือว่านั่งสมาธิอยู่จิตใจสงบอยู่นะตัณหามีอยู่แต่ถ้ายังไม่เป็นบรราอาจารย แ, แต่ราคะไม่มอีอถ้ามีอะไรมากระทบแล้ว อ, อฟุ้งเฟอ้อไปไหลไปตามราคะมีด้วยตัณหามีด้วยที่ตัณหามีที่ราคะมีเนี่ยเพราะอาศัยตัณหาด้วยั ตันหาทำให้จิตมันไปยึดเหนียวพอยึดเหนียวปุ๊บก็จิตก็เป็นเศร้าหมองเพราะอาันรตุกกะคือกิเลสที่จอดมาอ่านะนก็พูดไปคร่าวๆในลักษณะนี้ก่อนอืมครับถัดไปครับก็บคำถามของคุณปานิธิต่อ<ช>คือในการนั่งสมาธิเนี่ยคือบอกว่ามีบางช่วงที่คือ กำหนดลมหายใจใช่ัหมครับบางช่วงเนี่ยลืมลมหายใจแล้วไปคิดเรื่องอื่นแต่ว่าตอนที่ไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยกลับเป็นว่าได้ไอเดียหรือว่าได้แนวทางที่ดีๆในการทำงานหรือการใช้ชีวิตก็ก็เลยคิดว่าเอ๊จะจดไว้ดีไหมเพราะว่าก็คือตัวเองนั่งสมาธิอยู่ก็กลัวว่าจะลืมก็เลยเหมือนกับวนเวียนกับความคิดเหล่านี้ดึงไปดึงกลับอย่างเงี้ยนะครับในอคำแนะนาครับ มันจะเป็นอย่างนี้เราจะลืมหรือไม่ลืมเนี่ยมันอยู่ที่เหตุปัจจัยเหมือนกันเ อ, เอาทีละขั้นตอนก่อนอันดับแรกพอจิตเราเป็นสมาธิเราจะ เ, าเราจะมีความคิดอะไรต่างๆเกิดขึ้นเป็นไปได้แตนะ่พอจิตเป็นสมาธินิ่งๆอยู่แล้วปุ๊บไอเดียๆมันปิ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยพอมันปิ้งขึ้นมาปุ๊บถ้าเรามีความเพลิดเพลินไหลไปตามปุ๊บเราจะลืมลมพอดีอแต่ถ้าไอเดียสโผลปิ้งขึ้นมาแล้วเรารู้ลมไปด้วยได้นะ อันนี้นนนทีละสเต็ปก่อนนะเต็ปแรกเกินคือเราร่วมหายใจอยู่นะนิ่งอยู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ๆปุ๊บมีไอเดียปิ๊งขึ้นมาถ้าเราร บ, บอกโอ้ยดีนี่ดีมากเลยเรามีความตื่นเต้นตกใจเวลานิดหนึ่งนะเหมือนคนพระเจ้าเคยเป็นเช่นนี้เหมือนคนไปหาขุมทรัพย์ต้องการขุมทรัพย์สักหนึ่งขุมแต่เจอทีเดียวหกขุมเลยโ อ, โ, โอ้โหมันมันนี่เลยนะตื่นเต้นดีใจเวลานะเลยเลยลืมนมไปแล้วนะ Oh, okay. ทำให้สมาธิเคลื่อนแ <Okay. S 2> นะต่ผู้เช่าเคยบอกพระองค์ก็จเจอแลนะเจอแสงสว่างเจออะไรพวกนี้แล้วนะเจอความปีติปรากฏว่าทําให้สมาธิเคลื่อนแต <Okay. S 2> นะ่พอสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างก็หายไปทนะําให้สมาธิหายไปละเพลิน mm hmm. ไปละ mm hmm. อุ้ย <Yeah. S 2> แล้วผู้บอกว่าช็อตที่สองต่อมาอีกนะนี่คือช็อตที่สองนะช็อตที่สามต่อมาอีกมีความกังวลใจโอ้ฉันจะลือไหมเนี่ยต้องรีบจดซะก่อนอือย่างนี้นะ mm hmm. ก็จึงเป็นความกังวลใจขึ้นมาอีกนโะอ้ oh. เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันมันเป็นอย่างนี้เราจะทํายังไงเราจะทํายังไงอันก็มีวิธีแก้อยู่สองสามวิธีอย่สองวิธีวิธีแรกก็คือคุณก็ลืมลืมไปซะไปจดซะเลิกนั่งสมาธิไปจดเลยอือันนี้ก็มีนะหรือวิธีที่สองตอนจังหวะที่สองเนี่ยจังหวะที่ช็อตที่สองที่เรานั่งสมาธิแล้วมีไอเดียดีๆเกิดขึ้นมาปิ้งขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่ลืมลหมหายใจใถ้าเราไม่ลืมลมจะยังมีสติอยู่กับลหมหายใจนะเป็นไปได้ว่าความคิดนี้เราจะสามารถจําได้อยู่ตอนที่ ออกจากสมาธิแล้วเหมือนเมมโมรี่ไว้อ็อตโน้ตไว้ในในใจละในในจิตเพราะว่าคนที่มีสติเนี่ยในสติในขณะที่เราร่วมาจแล้วก็รู้ความคิดนั้นด้วยเนี่ยนะอจะเป็นผู้ที่เรียกว่าระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดแล้วแม่นั้นได้อันนี้เป็นพู้โทษนะเลยใช่ครับแปลว่ารู้คนที่รู้ลมหาใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ลืมอะไรนะอย่างคุณบาจารย์ที่เราเห็นเห็นเนี่ยท่านพออายุมากขึ้นเนี่ย คุณตางท่านสูงละพออายุมากขึ้นหลงหลงลืมลืมพูดอะไรก็จําไม่ได้้กินยาหรือยังยังไม่ได้กินอย่างเงี้ยก็เป็นนะ<อ> น, น, นั่นไม่ใช่เพราะว่าท่านเผลอสตินะแต่เพราะว่าท่านมีสติอยู่กับลมหายใจมีสุญอยู่กับอิริบทอยู่ในอิริบทของท่านเองโดยที่ไม่ได้มีสติอยู่ในการงานเข้าใจไหมคือที่พุทธเจ้าบอกว่าให้มีฐานที่ตั้งอย่างการงานครับมีจิตอธิษฐานการงานใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือถ้าเรามารู้สติที่อิริบทย่อยเกินไปเนี่ย พวกอิริบทใหญ่เราจะไม่รู้เราจะไม่ได้มีสติอยู่ตรงนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่มีสตินะเรามีสติอยู่ในอิริบท<แ>ย่อยนะอย่างกรือที่เราสังเกตลมหายใจเราสัเกตลมหายใจเล็กนิดเดียวเล็กนิดเดียวเนี่ยจนกระทั่งลมหายใจเนี่ยมันเหมือนจะไม่มีเลยเพราะในกรณีตรงนั้นเนี่ยไอความคิดี่มันลอยอยู่ข้างบนแล้วมันมันไม่ได้มาโดนจิตเราแล้วแต่ไม่ใช่ไม่มีนะมันมีนะไ อ, <แ>อเน uron connection ในสมองมันยังยิงกันไปยิงกันมาอยู่นะแต่ว่าเราไม่เข้าไปรับรู้ความคิดนั้นเพราะฉะนั้นในกรณีเนี่ย อถ้าเราทําจิตในลักษณะมัตรู้ให้มันเป็นวงกว้างขึ้นอย่าให้มันเล็กลงไปมากขึ้นนะ ค, คื อ, ค, อคือจะพูดยังไงล่ะเหมือนกับอแบนขยายนะจุดรวมแสงเนี่ยถ้าเราให้มันเล็กนิดเดียวเนี่ยมันกำลังมากเราจะไม่สนใจใร บ, บริเวณ อ, อื่นที่อยู่รอบๆเลยพื้นที่จะเล็กนิดเดียวใ น, นขณะที่ว่าเรา เ, เราต้องการรู้ความคิดด้วยนะถ้างั้นเราเอาจุดโฟกัสเนี่ยอ่าจุดอที่มันรวมแสงตรงนี้ให้มันใหญ่ๆหน่อยอ๋อ ให้มันใหญ่ๆหน่อยปุ๊บมันก็จะกินเนื้อที่ได้กว้างแต่ความเข้มข้นก็จะน้อยนะเพราะนั้นพอมันกินเนื้อที่ได้กว้างเราก็จะได้แส ง, แ ส, งสว่างกินบริเวณกว้างหลักก <ừ> ็ในลักษณะที่ว่าเราก็เลื่อนจิตออกมาหน่อยหนึ่งในการที่จะมารับรู้ให้มันมากขึ้ น, นทั้งความคิดด้วยทั้งลมหายใจด้วยทั้งเอริบด์ด้วยแต่เช่นเดียวกันในตรงนี้เป็นเทคนิคที่ใช้ในการขับรถได้ในขณะขับรถคุณจะรู้ลมหายใจไปด้วยได้อคือไม่ใช่รู้รลมหายใจจนเลขนิดเดียวไม่ใช่นะ ไม่ใช่นะแต่รู้ลมหายใจไปด้วยในขณะที่อิริบทใหญ่ๆในยังเราอ่านหนังสือไปด้วยเนี่ยเรารู้ลมหายใจไปด้วยได้ครับอ่าทีนี้พอพอเราจะทํามานั่งสมาธิที่เป็นรูปแบบจริงๆเนี่ยเราตั้มันเล็กลงไปเล็กลงไปคมกริบเหมือนแสงเลเซอร์ <L acer. S 2> จออยู่ที่จุดตรงนั้นอืออันนี้คือทําให้อ่ทําลมใจให้เบาหลงให้เล็กลงทําตรงนี้ไม่ใช่ว่าบังคับเอานะแต่ต้องค่อยๆประคอรองอย่างที่พุทเจ้าแนะนําถึงเรื่องอ่จับนกกระจาบด้วยสองมือ จับแรงเกินไปก็ไม่ได้ต้องค่อยๆเข้ามาจับบอลเกินไปมันก็ห น, น, นีนกหลุดคื อ, ค, อคืออันเนี้ยคนที่ปฏิบัติหรือแม้แต่บอกว่าพระบก็คงจะเข้าใจเรื่องนี้นะใช่ไหมว่า เ, เราเราซูมหรือโฟกัสเนี่ยถ้าเราเราใช้โฟกัสที่จุดเล็กๆมากเกินไปเนี่ยเราจะไม่เห็นภาพรวมมันก็ไม่เข้าใจละ่ะแต่ว่ารายละเอียดเราได้มาก อ, มอย่า ง, างถ้าใครเคยใช้ g o เกิลแมปถ้าคุณซูมเข้าไปในริเวณที่เล็กมากๆเนี่ยนะ ที่มันยังพอจะเห็นภาพได้อยู่เนี่ยเราเห็นรายละเอียดเต็มไปหมดเลยทั้งตงน้นไม้ภูเขาบ้านคนหลังคาบ้านต่างๆเอ๊ะตรง น, นี้มันอยู่แถวไหนนะต้องซูมเอาออกมา <S <S เพื่อที่จะดูภาพภาพกว้างใช่ใชเพราะฉะนั้นในการเรียนที่เรารู้ลมหมยใจเนี่ยถ้าเรารู้ลมหายใจเล็กๆเลยก็คือเหมือนซูมมินเข้าไปแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยพูดไปด้วยประชุมไปด้วยรุ่นลมไปด้วยอยู่ในลิฟไปด้วยคุยกับคนอื่นไปด้วยกลับรถไปด้วยรุ่นลงไปด้ว ย, อ, ว ย, วยอันนี้ต้องซูมใหญ่ออกมาละอันนี้อันนี้จมายกตัวอย่างตาาาามมควเเขข้ใจองรนะ ความเข้าใจของเรารนะซึ่งเราปฏิบัติอย่างนี้ เ, เวลาที่เราอนั่งสมาธิ จ, จิตรวมลงไปเนี่ยจิตเรารวมเล็กลงไปอย่างนี้ในะเวลาที่เรารู้ลมหายใ่เราพูดอยู่เนี่ยเราก็รู้รมลมหาย่จเรื่อยเราก็ทําจิตให้มันใหญ่ๆอย่างนี้อันนี้มันต้องอาศัยเหมือนกันการว่าค่อยๆสังเกตจิตออกไปด้วยเฮนะ้เราจะทํำยังไง อ, อันนี้เป็นเป็ น, นตกระดานะตัวตัวของอรมาเองให้ความเห็นเองนะนะก็คืออธิบายในลักษณะนี้นะ ครับครับอย่างที่บอกว่าจิตเราเนี่ยจะรับรู้ได้ทีละอารมณ์อย่างเงี้ยถ้าเรายังขับรถไปด้วยแล้วก็ขับรถดูลมหายใจด้วยผู้ช่วยบอกอย่างนี้เนี่ยผู้ช่ักศาสนะบอกว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปครับใช่ไหมดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนใชทีนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็มีหลายคนเขาก็แปลเหมือนกัน <ıl> ถ้าไปดูที่รากษาจริงๆบางคนก็บอกว่าดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปทีนี้เรามาดูเอาตรงนี้ยังกำกวมอยู่เ่าไม่เป็นไรเรายกไว้ก่อนก็ได้บางคนบอกดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปบางคนบอกว่าดว ง, งหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทีนี้มันดวงถ้าเป็นคําว่าดวงอื่นเนี่ยเขาก็จะตีความไปว่ามันหลายดวงนะแต่ถ้าเป็นดวง<อ>ดวงหนึ่งก็คือทีละดวงนะครที่มันเป็นยังไงกันแน่ก็ไปดูที่อื่นก็ได้เอาอย่างตัวเราเองครับแล้วเราดูหนัง เ, เราก็เห็นภาพไปด้วย เราฟังเพลงเราก็ได้ยินเสียงไปด้วยคือดูหนังเนี่ยมันได้ทั้งเสียงทั้งภาพใช่ไหมอ๋อใช่ครับแล้วใจเราก็คิดตามไปด้วยนะใช่แต่ว่าเราเรารู้พวกนี้ได้ไปพร้อมๆกันเลยนะพร้อมๆกันได้เพราะว่าวิญญาณเนี่ยวิญญาณทางๆก็มีวิญญาณทางหูก็มีวิญญาณทางจมูกลิ้นกายใจมีหกวิญญาณอ่ะใช่ครับอเพราะฉนั้นไอ้วิญญาณนี่คือการรับรู้เพราะฉะนั้นการรับรู้ทางตาทางหูเนี่ยมันมีได้หมดอืมอืมอ่ามันคนละวิญญาณกันแล้วนะที่ลุงชาบากไว้นะ อืทีนี้ถามว่าดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปก็ดวงหนึ่งของนานนานนานาอ๋อของคนละอายตระนะของตาก็ตาก็ตาก็ตาไปอหูก็หูไปอย่างเงี้ยทีนี้ถามว่าไอ้มันไหลไปรวมที่ไหนมันก็ไปรวมที่จิตเอจิตหมายถึงว่ามโนวิญญาณครับทีเรื่องของมโนวิญญาณก็มันก็เกิดดับเหมือนกันอาจจะใช้เวลาหรือว่าอยู่นานๆหรือว่าเป็นแวบๆเป็นทีที นิ่มก็แล้วแต่นะครับทีนี้อย่างไรก็ตามนะเราพอจะเข้าใจตรงนี้ได้ว่าเราดูที่ธรรมชาติของเรานะเราดูที่ธรรมชาติของเราเอ่ว่าไอ้ยเราก็ตาดูหูฟังรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไปด้วยได้ในขณะที่เราเดินอยู่เราก็คิดไปเรื่องอื่นไปด้วยได้บางคนขับรถอยู่แต่ไปคิดเรื่องที่ทํางานเอ้ก็ไปทําได้เหมือนกันนะแต่ทีนี้เราควรจะรักษาจิตตรงเนี้ยในลักษณะที่ว่าเไม่ให้มันไปอยู่ในอาุโสธรรม แค่นี้เองแต่เปไงไม่ให้อยู่ในอสุรธรรมนลก็พูดถึงเรื่องของสตินั่นเองเพราะฉะนั้นพอเราจะทํายังไงให้จิตของเราไม่ไหลไปนู่นไปนี่ดวงไหนมันจะมีกี่ดวงก็แล้วแต่เถอะรักษาให้มันได้ทุกดวงอืมมีดวงเดียวก็รักษาดวงมันดวงนั้นถ้ามันมีหกดวงก็รักษามันหกดวงเนี่ยรักษายังไงลมหายใจไงครับอยู่กับลมหายใจใช่ลมหายใจเนี่ยเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมเนี่ยหมายถึงเครื่องอยู่ เครื่องอยู่คือที่อยู่ที่อยู่คือคือบ้านบ้านของจิตใช่บ้านของจิตบางทีรเราออกจากบ้านไปทำงานไปเที่ยวต่างประเทศไปเรียนหนังสือพวกนี้เราออกจากบ้านแต่เราก็กลับมาที่บ้านอยู่ดีอะใช่ใชเพรา ะ, ะนั้นเราจะพูดเราจะทาเราจะคิดบางทีมันลืมลงไปบ้างไม่เป็นไรเรารู้เมื่อไหร่เราดึงกลับมาทันที <ừ. S 1> เรารู้เมื่อไหร่ว่าจิตเราไม่อยู่ที่บ้านก็ให้เขากลับมาซะ แ ต, แต่ว่าอย่าไปเครียดนะว่าโอ้ยทำไมจิตเธอไม่อยู่ฉันฟุ้งซ่านไปนแล้วอันนี้ยิ่งจะเป็นฮินดูร์นเป็นเครื่องกางกันเป็นนิวรแล้วนะอ<ช>เพราะฉะนั้นเราอย่าไปกังวลเรื่องพวกนี้ทําได้ก็ทําบางทีมันก็ไปเที่ยวบ้างก็ปล่อยมันไปไม่เป็นไรแล้วก็มานึกถึงรลมห า, ายใจอยู่อีกครับคือถ้าเรามีบ้านให้จิตแล้วเนี่ยอมันดีตรงที่ว่าเขาไม่อยู่เราก็รู้เขาอยู่เราก็รู้ถ้าเรารู้มาแล้วเขาไม่อยู่ก็รีเขากลับมา ัแต่เวทีเขาเห็นได้ด่าเขาว่าเขาไม่ได้นะไม่ดีนะเพราะมันเป็นธรรมชาติของจิตอยู่แล้วนะครับที่จะไปรับรู้อืเขาเรียกอะไรสัดสายซัดสายหาอารมณ์ใช่ไหมครับอมันก็จะเป็นไปกินอาหาร่ะจิตไม่ต้องไปกินอาหารอาหารของจิตใช่วิญญาณอาหารตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นวิญญาณอาหารโอก็มาสอดคล้องกับคำถามคุณครูแม่มดีเนาะใช่ครับที่ถามเรื่องเกี่ยวกับอาหารก็คือที่ในพุทธวจนะที่บอกว่า อย่างแรกก็คืออาหารคือคําข้าวอันนี้ทุกคนเข้าใจนะครับอบอกว่าต่อไปก็คืออาหารคือผัสสะใช่อาหารคือภัสสะอย่างกรณีที่พูดมาสักครู่ว่าอจิตเนี่ยที่หมอได้บอกว่าจิตมันก็จะไปที่รับเกาะเกี่ยวอารมณ์รับรู้อารมณ์นั้นแหะคือจิตไปกินอาหารกินผัสสาหารอืกินผัสสอาหารเนเพราะว่าจิตเนี่ยมันจะต้องมีการปรุงแต่งอทําไมถึงพูดอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าวิญญาณเนี่ยอาศัยอะไร เพราะอะไรมีอะไรจึงมีว like okay? ิญญาณเพราะมีนามรูปสังขารจึงมีวิญญาณมีสังขารครับเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปถูกไหมครับเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณสังขารคือการปรุงแต่งปรุงแต่งของอะไรปรุงแต่งของจิตนั่นเองจิตจิตไปทําไมปรุงแต่งจึงทําให้มีวิญญาณจึงทำไปหน้าที่รับรู้แต่เพราะนั้นไอการปรุงแต่งตรงนี้แหละไหนที่ทําไม่จิตมันต้องไปกินไหนกินมันก็จึงต้องทําให้มันเป็นทําหน้าที่วิญญาณไหนวิญญาณก็จึงไปกินภาษาหาร วิ ญ, ญญาณก็จะไปกินวิญญาณอาหารนะวิ ญ, ญญาณก็ไปกินอะไรอย่างหนึง่งมโนสัญเจตนาอาหารครัมีสามอย่างพวกนี้แล้วกายของเราก็กินอาหารคือทำข้าวคำว่ า, าอาหารเนี่ยเราเราทำทำความเข้าใจอย่างนี้ดีกว่าคำว่ า, าอาหารเนี่ยนะอถ้าจะแปลก็คือว่าสิ่งที่ทําให้เราเ ต, ติบโตขึ้นมาได้ทําให้มันยทรงตัวอยู่ได้ทําให้มันเเจริญต่อไปข้างหน้าได้อาหารนะอาหารเมื่อ เ, เรากินอาหาร เ, เด็กกินไาหาก็โตขึ้นมา อเราก็จิตเรามันต้องกินอาหารถ้ามันไม่ได้กินอาหารมันก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้า<ช>อาหารของมันหมดมันคือจบแต่ถ้าอาหารของร่างกายหมดร่างกายคือเราจบแต่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีอาหารให้จิตจิตคือจบจิตดับเลยออืมเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่มันจะไม่ได้กินอาหารมันก็จะต้องไปหาอาหารกินว่างอถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามันดับไปปุ๊บมันจะเกิดใหม่นี่เพราะมันมีตระหนัใช่ไหม มันต้องกินอาหารเพราะฉะนั้นมันจะต้องไปก้าลงในที่ที่มันเป็นอาหารของมัน<ร>นะก็มีมโนสัญจตนาอาหารวิญญาณมโนสัญจตนาวิญญาณแล้วก็ภาษาภาษาอาหารครับ <clapping S 2> ทีนี้พอจิตเนี่ยมันต้องไปกินอาหารมันถึงจะโตได้ถามว่าไอไอมโนสัญจตนาอาหารก็ตามวิญญาณอาหารก็ตามหรือภาษาอาหารก็ตามเนี่ยเป็นอาหารของใครของจิตอาหารของจิตนะครับอาหารของจิตนี่ในความเห็นอาตมานะอาตมาว่าเป็นอาหารของจิตเพราะว่ากายมันไปกินพวกนี้ไม่ได้ ใช่ครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันจะมากินได้ราคากินได้ไหมก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นนามธรรมหรื อ, อวิชากินพวกนี้ได้ไหมเป็นไปได้นะอวิชา อ, อาหารของอวิชาคุณเจ้าตรัสไว้แล้วก็คือนิวรณ์ห้นิวรณ์ห้าอนอาาิวรณ์ห้าเป็นอาหารของอวิชาตันหากินพวกนี้ได้ไหมอะไรเป็นอาหารของตันหา่า อ, อาหารของภวะตันหาคืออวิชาครับอาหารของภวะตันหาคืออวิชานะเมื่อมีอวิชาแล้วเนี่ยจะทําให้ภวะตันหามีมากขึ้น เพราวะว่อาอวิชาเนี่ยเป็นอาหารของภาวะตันหาเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดก็พูดว่าอวิชาเนี่ยเป็นอาหารของตันหาตันหานี่มีอาหารคืออะไรมีอาหารคือนิวรหา้าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไอ้พวกนี้สามอย่างที่ว่าเนี่ยมโนสัญเจตนาอาหารภาษาอาหารและวิญญาณอาหารก็เป็นอาหารของจิตนั่นเองอืที่จิตเนี่ยมันจะต้องเข้าไปกินกินเพื่ออะไรให้มันไปเกาะเกี่ยวอารมณ์ได้ไปยึดต่อได้ไปรับรู้ได้ แต่พราะนั้นพระชาจึงเตือนว่าไอ้พวกอาหารนี่นะเราจะต้องเห็นมันเป็นแบบเป็นของมีพิษมีภัยอย่าให้จิตไปก้าวลงครับถ้าจิตไม่ก้าวลงปุ๊บนั่นก็คือความสลัดคืนอืนะคือคือจิตที่เราบอกว่าดวงนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปหรือว่าดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปเนี่ยอมันเป็นเหมือนกับถ้าจะอธิบายที่ดีที่สุดนี่คือคือเทียนเทียนเถามว่าเปลวเทียนตรงเนี้ยแม้ ถ, ถ้ามีนักวิชาชีคนไหนสามารถที่จะเข้าใจเรื่อง เปลวไฟนี้ได้ก็จะดีเนาะช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยอคือเปลวเทียนเนี่ยมันไฟเนี่ยนะมันกินไส้เทียนอยู่ถูกไหมโดยมีน้ําตาเทียนเนี่ยไขเทียนเนี่ยมาหล่อเลี้ยงเอาไว้หล่อเลี้ยงครับทีนี้ถามว่าเวลาที่มันเผามาวัฟหนึ่งเนี่ยแล้ววับต่อไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงมันก็เผาไอตัวเชื้อคือน้ำตาเทียนครับคือเข้าใจไหมเอาอย่างอหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ของเราเนี่ยจริงๆมันไม่ได้สว่างตลอดนะ มันวบวบวบวบวบถูกไหมเพราะมันเปไซเคิลตามไฟกระแสสลับกระแสไฟกระแสสลับถูกไหย220 50เฮิร์อ50เฮิร์ต220โวลต์ใช่ค่ะทีนี้อันนี้เป็นวิทย์เป็นสมัยใหม่ที่เราคิดขึ้นเป็นดิจิตอลนะเอาเรามาดูเทียนดีกว่าเทียนครัไอ้ที่มันไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่เนี่ยคือมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดจริงครับไอ้มันเผาไม่ได้คือจบไปแล้วนะจบไปแล้วนะ แล้วเอ๋อมันยังมีต่ออีกนี่แหละคือการที่ก้าวลงเกิดและก้าวลงมันยังมีอาหารอยู่มันก็ติดอยู่ได้มีอาหารอยู่ก็ติดอยู่ได้ออืมืมมใช่สมมุติว่าเร า, เราดับซะดับความร้อนซะความร้อนไม่มี อ, กออกซิเจนไม่มีคือสามอย่างที่จะเกิดมาเป็นไฟได้เนี่ยต้องมีออกซิเจนมีเชื้ อ, อแล้วก็มีอตัวไฟตัวอุณหภูมิเข้าไปอุณหภูมิสูงนะมีไฟเอมีอุณหภูมิสูงมีออกซิเจนแล้วก็มีเชื้อครับอ่านี่เหมือนภาษาเลยนะ มี<ช>ตาหูมีว<ช>ิญญาณ อ, องค์ประกอบครับทีนี้ว่าไอ้เจ้าตัวตัวเชื้อนะแล้วก็ตัวออกซิเจนตัวอุณหภูมิที่สูงมันจะทําให้เกิดเปลวไฟเกิดขึ้นได้ครับอืมเพราะฉะนั้นถ้ามีอาหารสามอย่างอยู่นะมันก็ก็ไปไหนก็ได้ละ่ะครบองค์ประกอบมันก็กินได้ละ่ะสบายบใจละมันก็เกิดอยู่ได้ไปได้เรื่อยๆอืมเอ่อทีนี้ลงรายละเอียดนิดนึงอาหารคือคำข้าวนะคิดว่าพอเข้าใจอยู่ อาหารคือคำข้าวคงพอเข้าใจอยู่ว่าเป็นคำข้าวเป็นก้อนข้าวนะจริงๆแล้วตรงนี้เป็นการวลิการอาหารก็คืออาหารทั่วไปจะอาจจะไม่ใช่ข้าวก็ได้ผลไม้ก็ได้นะพวกนี้ต่อไปคืออาหารคือภาษานะภาษาก็คือพู้เชี่ยอธิบายไว้แล้วนะมีตามีหูมีใจมีเสียงมีหูมีวิญญาณก็ไปรับรู้สามอย่างนี้รวมกันเรียกว่าภาษาเพรานะะนั้นอาหารคือภาษาก็คือภาษาเนี่ยไปเป็นอาหารของอะไร นั่นคือเสวะภาษาเนี่ยเป็นอาหารได้นะเป็นอาหารของจิตที่ทําให้มันมาก้าวลงได้ทีนี้ต่อไปคือทีนี้ถ้ า, า, ท, ถาที่สงสัยว่าเป็นพวกเครื่องประดับหรือเปล่าหรืออายตนะทั้งหกนะก็ต้องตอบว่าที่ผู้เช่าตอบนั่นแหละนะภาษาเนี่ยมี6อย่างนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะถ้ารวมข้างในข้างนอกเอาวิญญาณออกไปอย่างเดียวนะก็จะโดเรียก ว, ว่าวสลา ย, ยตนะ สลายอเตนะเนี่ยคือเอาอเยตนะภายในกับภายนอกรวมกันเรียกว่าสลายอเยตนะถ้าเอาวิญญาณเข้าไปดูอมด้วยนะเป็นหกคูณสามสิบแปดนะได้ทั้งหมดหกหกชุดเนี่ยแต่ละชุดนั่นก็จะเรียกว่าผัสสะทีนี้ถามว่าเครื่องประดับใช่ไหมเครื่องประดับเนี่ยเป็นอเยตนะภายนอกคือคือรูปรูปภายนอกเพราะนั้นตานี่คืออเยตนะภายใน ครับเพราะฉะั้นถ้าเครื่องประดับก็คือแค่ยังแค่หนึ่งในสามครับอ่าถึงถ้ารวมตาเขาไปด้วยก็เป็นสองในสามถ้ารวมใจเขาด้วยก็ครบพอดีสามอย่างนี้จะรวมเรียกว่าผัชชะพัชชะครั บ, รบอ่าทีนี้ถามว่าอาหารคือมโนสัญเจตนาก็คือการปรุงแต่งนั่นแหละสังขารของเรารมโนสัญเจตนาอาหารคือการที่จิตไปปรุงแต่งอบางก็ว่าคือคุณครูแหม่มถามว่าบางก็ว่าเป็นการทําสมาธิบางก็เป็นการทําดีทําชั่วอ่าการที่จิตปรุงแต่ง นะก็ค <necessary. S 2> ือเป็นปรุงแต่งทางกายทางวาจาหรือทางใจอืมครับปรุงแต่งทางกายทางวาจาหรือทางใจเพราะฉะนั้นจิตมีการปรุงแต่งจิตจึงไปรับรู้นะก็จะมาสรุปจบที่วิญญาณอาหารอืะวิญญาณอาหารวิญญาณอาหารก็มีมีวิญญาณก็คือตัววิญญาณคือการรับรู้นั่นรองใช่ตัวรับรู้ับวิญญาณคือการรับรู้นั่นเองทีนี้การรับรู้เนี่ยไม่ใช่การเข้าไปผูกพันนะ อเพราะงการรับรู้คือการรับรู้เฉยๆมไม่ใช่การเข้าไปผูกพันเอการผูกพันเนี่ยผูกพันเหมือนเป็นเวทนาไหมครับรการผูกพันเป็นลักษณะของความเกลืกลัว่วความผูกพันนะที่เราเข้าไปผูกพันเนี่ยเพราะเราไม่มีสติแต่บุคคลที่ที่เผลอสติก็จะทําให้จิตเกลืกลั่วในอารมณ์นั้ น, น, นๆก็จึงเข้าไปผูกพันอืมอันนี้มันอาหารมันโตโตโตแล้วกินนะหลังกินอาหารไปนานแล้ว จนกทั้งมันก็ไปมีความผูกพันเลยเถิดไปทีนี้อาหารก็ให้เพียงเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่ทําให้จิตมันยังโตอยู่ได้มันยังมีการก้าวลงอยู่ได้เป็นเหมือนกับเชื้อไฟที่มันยังอยู่ถ้าเมื่อไร่เราเอาอ ก, รอกรอบแก้วไปครอบเทียนอันนี้นะไม่มีออกซิเจนไม่พอก็ดับเลยทั้งที่เนี่ไม่ได้ไปแตะต้องอะไรมันทั้งที่เทียนก็ยังมีไส้อยู่ ดังนั้นที่<ช>ความ ร, ร้อนก็มีอยู่อืมแต่ขาดขาดออกซิเจนขาดองค์ประกอบใช่ใช่ครับ อ, อก็เรื่องอาหารก็คิดว่ามีในลักษณะนี้คงจะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจตรงจุดไหนที่ชัดเจนก็ให้ถามมาใหม่ได้ครับนะเรื่องเกี่ยวกับอาหารตรงนี้ครับอืมเรื่องอาหารนี้จริงๆใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับเพราะว่า เกี่ยวพันกับหลายๆเรื่องเลยนะครับแต่มาคิดว่าไอ้เรื่องเปลวไฟเนี่ยสามารถอธิบายตรงนี้ได้หลายอย่างทีเดียวใช่ครับใช่ใชเพราะว่าจากโมเมนต์หนึ่งไปอีกโมเมนต์หนึ่งเนี่ยจากช็อตที่หนึ่งไปช็อตที่สองที่ว่าเปลวไฟมันต่อเนื่องกันเนี่ยจริงๆมันต่อเนื่องกันยังไงอืมันต่อเนื่องกันยังไงเอมันที่มันดับไปแล้วเนี่ยแล้วอันใหม่เข้ามาแทนตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่ว่าเราจะต้องอทําให้ทราบว่าจิตของเราจะเป็นลักษณะนี้เลย มันจะไม่มีทางที่จะดับจากอารมณ์ไปได้เลยดับปุ๊บเกิดใหม่ปุ๊บดับปุ๊บเกิดใหม่ปับนะ๊บนะเป็นของที่อาศัยกันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยือนะพระรูชาเปรียบเหมือนกับว่านอนลิงนะที่จับกิ่งนั้นเกาะกิ่งอื่นจับกิ่งนั้นเกาะกิก่งอือน่อนอยู่เรื่อยไปอื ม, อมด้วยความเร็วสูงใช่ไหมครับ อ, อาจจะเร็วหรืออาจจะไม่เร็วนี้ก็ยังไม่ได้ระบุไว้ตรงนี้อื ม, อมที่ว่าอาจจะช้าบ้างนี่ก็คือบางทีเราไปรู้อารมณ์นี้อยู่นานๆก็มี ลืมไปแล้วลืมไปแล้วค่อยมารับรู้ใหม่ก็ได้รเรื่องความเร็วนี้ก็จะไม่ได้ระบุเอาไวนะ้ตรงนี้ ค, คำถามตะไพมาจากคุณผู้ศึกษาปฏิบัติ ก, ตก็คิดว่าเขียนเป็นให้ความเห็นเฉยๆเกี่ยวกับนะเรื่องของการศึกษาพุทธวจนะเรื่องวิบตกกับของกรรมทำให้มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับ อาจรมาคิดว่าเรื่องของกรรมตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่จะต้องทําความเข้าใจให้มากถ้าใครมาทําความเข้าใจเรื่องอเยตนะเรื่องปฏิสมสมุบาตปรปฏิเสธสมุบาทก็คือความเป็นเหตุเป็นผลนะนะเป็นผลนะครับแต่แต่อย่างไรก็ตามที่มาทําความเข้าใจเนี่ยคือคือให้เข้าใจหลักการนะ ว, รว่าว่า ว่ามันทํางานยังไงไม่ใช่ว่าเข้าใจไปเข้าใจเรื่องผลของกรรมซึ่งเรื่องของผลของกรรมเนี่ยวิบากของกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจินไตนะคิดยังไง<อ>ก็จะเข้าใจไม่ได้ครับอืมครั บ, ค, รบคืออ๋อคือท่านถ้ามีความเห็นว่าอวิบากจากกรรมก็คือเหมือนกายเราที่มีโรคภัยหรือว่าเหตุการณ์ที่เราเป็นทุกข์ันเนี้ยก็คือเป็นกรรมเก่าส่วนหนึ่งใช่ไหมครับเ อ, อเป็นไปได้ครับอืมแต่ถ้าเราบอกว่ากรรมเก่าเท่านั้น อย่งืไม่ใช่เลยอันนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกอเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเอออาจจะเป็นกรรมเก่าก็ได้แต่เราทํายังไงดีงั้นเราทําสิ่งที่ควรทําคือทาปัจจุบันให้ดีหมายถึงทําสิ่งที่ควรทําเนี่ยก็คือทําให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาเป็นต้นแล้วสิ่งที่ควรละไม่ฆ่าสารไม่รักษาไมผิดในกรมนั้นตั้งใจทำอย่างนี้นชื่อว่าเรากําลังจะทําให้สิ้นกรรมนะออคืตามแนวทางอาริยามากมิลัย คือบางคนเนี่ยจะไปอาศัยแค่ว่าโอ้โหเป็นเพราะกรรมเก่านั่นแหละทุกเจ้ก็เลย ก, เก็เลยท้วงว่าเอา <c oughs> ถ้าอย่างนั้นการที่บุคคลมาฆ่าสัตว์ลักทรัพยเพื่อปิดในรกรรมก็คงเป็นเพราะกรรมเก่าสิ <c oughs> ก็เลยสรุปว่าถ้าใครก็ตามนะที่ไม่รู้จักละในสิ่งที่จะต้องละเว้นกันให้จริงจริงจัง ๆ, ๆนะทําในสิ่งที่ต้องฝึกทําให้จริงจริงจังๆแล้วเนี่ยเพราะรอาศัยแต่กรรมเก่าเนี่ยมาเป็นเหตุเนี่ยก็เป็นผู้ที่เผลอสติโอ้ยไม่ต้องพูดแล้วคนเผลอสติไม่ดีแน่นอนครับเจ้าพูดคำหนังนี้ อพราะฉะนัก็เป็นผู้ที่เรียกว่าไม่ถูกต้องอยังเชื่อเรื่องกรรมไม่ถูกต้องนะเพราะเป็น <บ drum. S 1> ผู้เผลอสติอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเออผู้อื่นบันดาลให้มีกรรมเกิดขึน้นทําให้เราได้รับผลของกรรมคือเป็นความสุขความทุกข์ อ, อันอนี้ก็ยังเผลอสติอยู่อเอหมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้ทําสิ่งที่ควรจะต้องทําละเว้นสิ่งที่ทควรจะละเวน้นะ่ะก็ยังจะเป็นผู้เผลอสติอยู่ก็ไม่ได้เรื่อมเหมือนกั น, นอ่ะคือท่านให้ความเห็นว่าใน อปฏิกิริยาที่เราตอบสนองก็คือการสร้างกรรมใหม่ก็คือก็คื อ, คอ น, น่าจะถูกต้องใช่ไหมครับใช่คือเหมือนสิ่งที่เราทําทางกายวาจาใจก็คือกรรมกรรมปัจจุบันกรรมใหม่ครับอืมอ่าแล้วก็การฝึกที่บอกว่าเห็นรูปด้วยตาแล้วไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสี่สัมปชัญญะตั้งอยู่อยู่ได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะ S <S เพราะว่าถ้าจิตเราทรงอยู่ได้อย่างเป็นอยู่เรื่อยๆนะตรงนี้จะช่วยทาให้ในการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบของเราก็ดีขึ้นได้นำม็ช่วยขึ้นหนึ่งกันอย่างที่พูดไปเมือ่อตอนที่ผ่านมาครับอื ม, อ ม, อมก็ต้องขออนุโมทนาด้วยนะครับอของคุณผู้ศึกษาปฏิบัติก็หมดลงมีคำถามเพิ่มเติมจากถามมาว่าิเิตถามมาว่า ผลมะเดื่อคือบอกว่าการที่เรามีรายได้น้อยแต่อยู่อย่างฟุ่มเฟือยก็กล่าวว่ากลุ่มบทนี้ใช้ใจ่ายโพคทรับอย่างสุลุยสุไลเหมือนคนกินผลมะเดื่ออืมอืมอืมอันนี้คือปรผลรเปรียบเทียบใช่ <ทะ S 2> ผลมะเดือ่อตอนแรกเร า, มาไม่เข้าใจพระสูตรนี้แล้วเราก็ไม่ได้สนใจว่าเราจะไปมะเดือ่อมันคืออะไรเราก็คือกินผลมะเดื่ออยู่แต่มันก็ไม่เป็นอะไรหนิมันก็ มันก็อร่อยดี ม, มันก็หวานดีอะนะออก็เลยไม่ได้สนใจจะไปศึกษาทีนี้มีเหตุการณ์หนึ่งที่วัดบวรตอนนั้นรจริงจริงตั้งแต่บวชภรษาแรกนั่นแหละที่ข้างกุฏิก็มีต้นไม้แล้วเขาก็เอาอะไรพวกผลไม้เอากล้วยอะไรไปวางกรลอกเข้ามากินมากินอาหารเ อ, อแล้วก็เห็นกรอกก็มีความสุขดีเพลินไปแล้วปรากฏว่าต้นนั้นอนะเพลินเป็นต้นมะเดือ่อเป็นต้นมะเดือ่อแล้วก็ ช่วงฤดูเดือนเดือนมิถุนากรกฎาคมช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่มันออกลูกพอดีปีนึงมันออกลูกสองครั้งก็งงๆกันต้นมะเดื่อแบบไหนก็ไม่รู้ปรากฏว่าผลมันเนี่ยก็ออกอยู่ที่ติดที่ลำต้นแตผลแดงจัดมากเลยโอ้โหแล้วก็ทรงกลิ่นแต่ถ้ามันสุกเละแล้ก็จะเริ่มเหม็นนะถ้ามันยังเป็นดอกอยู่มันก็หอมอยู่หอมแบบจืดๆหน่อยนะปรากฏว่าพอมันเริ่มออกลูกมาแล้วเนี่ยเป็นผลแดงแดงนิ่มๆแล้วเริ่มเละแล้วเนี่ย เจ้าพวกกระรอกพวกนี้ก็มากินผลมะเดื่ออืเ<อ>วล äh ามันกินผลมะเดื่อเนี่ยมันก็ดึงมะเดื่อออกมาจากตัวพวขงของเขานะแล้วก็มาใช้ฟันของมันเนี่ยชักกชักชเข้าไปแต่ตอนที่มันกินกิเข้าไปเนี่ย อ, อมันกินกัดแค่สามสี่คาหมอนะพงมันก็ทิ้งเลยที่<อ>พื้นเนี่ยมีแต่ผลมะเดื่อเกลื่อนไปหมดเลยทั้งที่หล่นเองบ้างหล่นเองส่วนน้อยส่วนใหญ่เจ้ากระรอกนี่มาดึงไปกินแล้วก็ทิ้งลงมาก็จะเห็นรอยกัดของมันอะไรต่างๆ เราก็งงว่าทําไมกระรอกมันกินทิ้งขว้างขนาดนี้เนาะอืมอืมครับเออก็มาดูปุ๊บอ๋อมันในมือในบเบือนี่ยมันมีเม็ดอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะใช่ครับถ้าใครเคยกินมะเขือมะเขือที่จิกจิ้มกับน้ําพริกจิม้มกับน้ําพริกอะมะมะเขือปลอกเออมะเขือเปละกมะเขือปลอก เ, อเอนี่ยบีออกมาเม็ดมันเต็มใช่ครับอ่าลักษณะเดียวกันกันกบมะเขือเอ่อไอ้เจ้าฟิกเนี่ยบเบืเอ เมื่อเดือดว่ามันก็จะข้างในมันจะมีเม็ดเต็มๆอยู่เม็ดเยอะครับเพราะนนั้ในความคิดของเราคิดว่าอ๋อพอเจ้ากระรอกเนี่ยกัดไปโดนเม็ดปุ๊บมันก็ทิ้งเลยอเหมือนกับไม่ได้รอยก็จะกินเฉพาะไอ้ต้นส่วนเปลือกที่เป็นเนื้อที่บางๆมากครับก็เลยเห็นตัวอย่างจากกระรอกเนี่ยนะจึงทําให้เข้าใจว่าอ๋อคนกินผลมืเดือดเออต้องพูดว่ากระรอกกินผลมืเดือมันทิ้งขว้างขนาดนี้นี่เองอเหมือนคนสุรุ่ยสุร่าย ใช่ออสุริสุราชนี่คือเรื่องของการกินผลมะเดื่อแต่ว่าคนกินผลมะเดื่อยไงจริงๆในปัจจุบันนี้เขาก็เอามะเดื่อมาอบแห้งแล้วกินทั้งชิ้นเลยไม่ได้ติ้กคว้างครับออืืหรือไม่แน่ใจว่าชาวอินเดียเขากินผลมะเดื่อกันยังไงนะครับอืมอินเดียเนี่ยเขาเขากินมะม่วงก็ไม่เหมือนคนไทยกินนะเวลาเขาปอกเขากินเขาบีบน้ําใส่หยดตั้งปากอะไรอย่างนี้เป็นอีกเรื่องหนึงไปอ๋อ มีวัฒนธรรมการกินที่แตกต่างกันใช่ใช่วิธีการปอกกินปาดกินก็ไม่เหมือนกันล่ะครับครับผมเคยเห็นฝรั่งเขาปอกเขาปอกเข้าตัวนะครมีเวลาปอกมะม่วงอย่างเงี้ยเอออย่างคนไทยปอกปอกจากตัวใช่ปอกเปลือกอย่างอย่างมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยเวลาเขากินมะม่วงเนี่ยเขาจะไม่เอาเปลือกออกนะเขาจะปาดตรงเนื้อเอาเม็ดออกเฉยแล้ว พลิกขึ้นมาแล้วถือตรงด้านเปลือกแล้วเป็นเหมือนกับตักไอติมกินอ๋อใช้ช้อนตักอ่าใช้ช้อนตักจากเนื้อตักแต่เนื้อมะม่วงที่ติดเปลือกอยู่ครับตักจากด้านในของมันลักษณะนี้คือไม่ได้ปอกเปลือกออกแล้วกินเป็นชิ้นเป็นชิ้นอย่างนั้นก็แต่ละประเทศไม่เหมือนกันอก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงแต่เห็นกระล้อมเป็นงนี้แหละก็เลยมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเฉยๆครับอาจจะเทียบเคียงกันนะครับใช่ถ้าเกิดผู้ฟังท่านใดทราบตรงนี้ แชร์ได้นะครับแบ่งปันกับเราได้นะครับแชร์มาที่เพียวธรรมะ .com ได้ครับเอาก็ไม่ในในเรื่องนี้นะสรุปว่าวันนี้เราได้พูดเรื่องอะไรกันไปบ้างตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการหาผู้ชันนุกรมใช่ไหมครับของคุณปณิทธีครับแล้วก็พูดถึงเรื่องอุปกิณ์สักหน่อยหนึ่งเรื่องราคาโทสะโมหะโลภะบอกความแตกต่างของการมาตัญหากับการมราคา ใช่ครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นไม่พร้อมกันพร้อมกันอย่างไรนะเราพูดถึงเราก็เลยไล่ไปถึงเรื่องอาหารอาหารสี่อาหารสี่ที่เกี่ยวเนื่องกับราคาก็คือว่าจิตมันเข้าไปกินภาษาพร้อมกินภาษะก็เลยมาถึงภาษาอาหารวิญญาณอาหารวโนสัญเจตนาอาหารกาวลิงกลาอาหารครับแล้วก็มาตอบคํำถามพูดถึงคอมเมนต์ของคุณผู้ศึกษาปฏิบัติ เรื่องเกี่ยวกับร ก, กรรมกรรมกรรมแล้วก็มาตอบคําถามของคุณเลวิสคุณเลวิสครับเรื่องเกี่ยวกั บ, บผลไม่เดื่อผลไม่เดือครับครับเราจะพูดเรื่องกรรมเราต้องการพูดเรื่องกรรมรในตอนต่อไปเนี่ยจะพูดถึงเรื่องกรรมอ่าครับนะอันนี้จะขอพูดเรื่องกรรมอไว้เลย แล้วก็อ<ต>จะเอให้ทําความเข้าใจเรื่องกรรมว่าอย่างไ ร, ร แ, ลแล้วก็ในช่วงเวลาที่ก่อนจะถึงเรื่องเรื่องกรรมตรงนี้ถ้าใครมีคําถามอะไรก็ส่ง ส, งสงมาก่อนได้แล้วในการพูดเรื่องกรรมนี่ก็คงจะยกหลายประสูตรที่มาเกี่ยวข้องกันอยู่ครับเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเรื่องกรรมเนี่ยโออืใช่ครับอแล้วก็ยังไงก็มาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าหมคุณหมอณรงค์ครับกรับต้องกราบน้ำมศการขอบพระคุณพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิพุโนโนนะครับ และกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับเจิบอลครับสวัสดีครับ